ปักกะปฏิชนะอัพพานว่าด้วยอัพพานสำหรับอาบัตที่ปิดไว้หนึ่งปักและกรรมวาจาท่านพระทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วบอกแก่พิษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักและกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้ว